โอ้เห็นออกตนญาติโยมจากฝอนแกนผู้เฒ่าผู้แก่เออผู้สูงอายุเออบอกเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้สูงอายุเนาะเอามีอย่างเดียวหลวงพ่อยจะบอกอย่างให้ฟังเ น, นื้อบาดนะี้หน่ามีเวลาบอกคงจะบวรีบมักบวรีบมากมั้งท่านบอกมีหยังรีบมากเดียวหลวงพ่อยจะบอกอยัางให้ฟังเพราะว่าอะไรหลวงพ่ อ, พอทิจแจกหนังสือเอ็มที่สาม ติดกระเป๋าไปฟังในบ้านอีกคนนึงไปมีเอ็มพีสามแล้วก็มีรูปแล้วก็มีหนังสือด้วยหนังสือหนังสือตอตอต่อมาไปเออตอตต่อเนี่เป็นยังไงนอบลย้าอะไรมีเนี่ยมีมีตนใหม่เนี่ยจะเปิดเขาไปทางในอลยต่ตตเตรียมตัวตายเอาหน่อหนังสือเตรียมตัวตายเอาหน่อย เตรียมจะไหนเตรียมตัวตายเนี่ยเขียนไว้เขาเขาเขาย่อมาจากนี่เขาบอกเขาเขียนในหนบอกว่าต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดแมนบอกลงไปเเอเอเอต้องคิดไว้เป็นภาษาใจบ่กเป็นภาษาคำพูดเนี่ ภาษาใจคนเราไปภาษาใจของแต่ละคนคนเราไปาต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะรับขนาดไหนจะเกลียดขนาดไหนจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาเป็นอย่างให้คิดทั้งสี่มันจะได้ลดอุณหภูมิในใจของเฮาลง คันว่าเกียดโกรธเครียดเหไผกิดพกเกียดหลายนไปบางท้นเครียดในี่เขาจำเสียดเลืดอดไม่จนบอกเจ้าของแตกตายไปไเลยเขาเนเกียดหลายคนลงไปถ้านแล้วสิเกลียดยก็ยังกระโ็เดียวคนไปอีกสักมืน่นหนึงเขาสีตายจะเขาเขาเสีตายจกเขาอยู่แล้วคนไปเอ่คันเท่าคิดถึงตัว น, นี้ถึงวมาเนะี่ยอุณหภูมิในจิตใจของเท่าเนี่ยจะลดจะลดลงจะบอกโกรธมากกว่านไปนี่นะให้คิดไว้ยู่เสมอที่พวกพุทธเจ้าเป็นบอกว่า ให้ะระลึกถึงความตายตัวเองว่าอยู่เสมอมรณังเมภาวิสติให้ะระลึกถึงความตายของตนเองหนังสือเด็มนยเกิดขึ้นสั้นะนะวันนี้ในหนังสือเล่มนี้นะเรื่องแม่พระฝรังพระเชิญสามปัญหาชีวิตอย่างมีสติปัญญาพระฝรังเป็นชาวเยอรมันอายุสี่สิบกว่าปีมาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยนะท่านครับท่านอาจารย์ครับผมอยากจะถามปัญหาท่านอาจารย์ ตรงพ่อบอกเอยท่านคงไปถามปัญหาที่อื่นมาพอแรงนั้นล่ละจะ ม, มาถามผมถึงจะมาถามลองเชิงเท่านั้นแหละผมไม่ตอบว่ไม่ใช่ผมอยากจะถามความเห็นของท่านอาจารย์ผมถามบอื่นผมก็ถามแต่นี่ผมอยากถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์จะตอบว่ายังไงที่คําผมจะถามนี่ท่านอาจารย์จะมีความเห็นว่ายังไงเราก็อืมเอาไอเรื่องความเห็นมันก็ต้องมีความเห็นนะครับถามได้วะ มาในคนกระถามบ้านถามว่าผมไปหาหมอหมอตรวจสุขภาพผมเขาว่าผมเป็นไวรัสซีต่อไปผมจะกลายเป็นมะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับผมจะต้องไปหาหมอมีทั้งหมอหญิงหมอชายพออาการหนักขึ้นผมต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็นอนโรงพยาบาลพยาบาลก็ต้องมีหญิงชายอีก พอผมไปนอนโรงพยาบาลอาการผมหนักขึ้นผมช่วยตัวเองไม่ได้พยาบาลหญิงก็ต้องมาเช็ดร่างกายให้ผมผมก็ผมเป็นพระผมเึ็พระผมเป็นพร ะ, พระแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ในขณะอย่างนั้นถ้าป่วยลักษณะอย่างนั้นท่านอาจารย์จะรักษายังไงจะทํำยังไงจริงจะเหมาะสมตายในโรงพยาบาลหรือรักษาขนาดไหนจริงจะพอเหมาะในความเห็นของท่านอาจารย์ เอออันนี้นักคิดไว้วะ่ะเอออันนี้โรงพอก็ตอบที่นี่อนนู้นไปฟังบางหด้าวันนี้โรคพอจะตอบไว้จังไหนวันนู้นไปมานีนปัญหาที่สองบ้านเนี่ยผมมีอาการป่วยหนะักใจผมจะขาดผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วจะให้ผมภาวนากรรมฐานอะไรกําหนดใจยังไงพิจารณาอะไรในเมื่อใจจะขาดนั้นจึงจะถูกต้องที่สุด ในความเห็นของท่านอาจารย์หลวงพ่อก็ตอบเป็นอย่างอีกขึ้กันอนลงไปเมื่อใจสิขาดสิครึดจังไหนมันยังที่ถูกต้องวันลงไปที่พ่อวนาอย่างที่ยึดกรรมฐานอย่างมามาเป็นกรรมฐานมาพ่อวนาในในจุดนั่นวันลงไปหลวงพ่อก็ตอบเป็นยงนี้ปัญหาที่สามเขาถามว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้รับความสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขดีแต่ผมคิดว่าถ้าออกไปจากครูบาอาจารย์ ไปภาวนาอยู่ตามลําพังคงจะมีเวลามากกว่านี้คงจะภาวนามีเวลามากกว่านี้แต่นี่รับภาระในวัดอก็มันภาระมากอยู่เพราะฉะนั้นจะจะหนีออกไปภาวนาตามลําพังคงจะปฏิบัติดีกว่านี้ตอนนี้ผมก็าลาครูบาอาจารย์ไปอยู่ตามลําพังพอไปอยู่เข้าไปพ้นเขาต้องรับภาระสิเวลาแต่คนเข้ามาหาคนนั้นเข้ามาหาคนนี้เข้ามาหา ผลสุดผมก็จะต้องดูที่พักพาอาศัยของเขาที่อยู่ที่กินของเขาใจของผมส่งออกส่งออกส่งออกผลทีส่สุดผมอยากจะสึกถึง เ, เพราะมันใจมันส่งออกนอกมันอยากจะสึกถึงถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเนี่เรียกว่าสามปัญห า, านะครับคนนั้นพวกเข้าฟังคนนั้นวนหลวงพ่อตอบเขาว่าจังไหนได้บ๊วยเฉลยว่าต่อปัญหานี่ ไม่แต่ว่าคําถามของเขาว่าเขาถามอย่างคนทั่วไปหลวงพ่อก็ตอบอยู่ในหลีกเรานะแต่ชวนอื่นก็หลวงพ่อก็เงาเรื่องนี่แหละจะเน้นไปในทางเรื่องที่ทําใจจังไจะเหตุจังใดก้วนคิดจังใดในชีวิตของพวกเฮาหลวงพ่อก็เคยเตือนสัทธาญาดโยมพระสงฆ์องค์เจ้าสม่าเสมอโดยเฉพาะยังยิ่งผูสูงอายุจังมนีละ่ะผ่านโลกมานุม น, นั่น ผ่านการทํามาหากค้าขายพัานไอ้ยังไอ้ยังมากหลายหลายอย่างบางคนนะแต่บางคนก็มีอุปสรรคบ้างบางคนก็ซุกบ้างทุกบ้างแต่บางคนก็ทุกมากทุกหนต่างกันแต่ว่าถึงจังไหนก็ตามมหันต์แต่ไมหันตทุกอยู่ทั้งหนาเขานี่ต้องเจอแน่นอนต้องเจอแน่นอนอย่างลุงปู่บัวหลุงปูบวยน้องแซงนี่ที่เป็นรุ่นลุงปูขาวเลย อายุแปดทิศทอ่อกันกับหลงภูเขาวเวลาเพื่อนป่วยตอนเพื่นจะจากตอนเพื่อนจะทิ้งขันนะตอนเพื่นจะทิ้งขันตอนเพื่อนจะตายเพราะว่าเพื่อนเป็นถ้ามันคูมอคือเก็จะว่าเป็นมะเร็งในถาว้านมันไปติดที่หลวงก็กลายเป็นมะเร็งมันเดี๋ยมันออกฟ่อนเนี่ยออกแสบออกขอนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยโอ้เด็ดเดียวโบหิพาเนี่ยเขามาไกลเลยยกมือเลยอย่ามาใกลเล่าจริงนอนที่ตามลําพังให้นั่งอยู่ประตูคนนะ ขณะห้องอยากได้ ห, อห้องิยอกมืออยากขวาเข้ามาอยากข้ามาเฝ้าห้องนางญู่ปุ่ น, นะนหน่ะว่านา ง, นางยาู่่ปุ่นวัน<อ> น, นี้เพิ่นจากชั้นน้ามันหมะพระถองเบิงจ้องยึตลอดแล้วันนไปเขาบ้าน้าพอน้าเส้นเลยออกไปกู้คนวนแล้กัเออจันฝานันแหละแจ็เพิ่นก็บอกได้บ่อยนะเพิ่นว่าพระเอ้ยพระนีนเ่เ้ยอย่าไปถือว่าร่างกายนี่มีเป็นสวรรค์ดีม่านเด้อ บอมแมนมงที่สุดแล้วอันนี้นะนี่แหละกองทุกขัคขัดหมันตะทุกที่สุดอันนี้คือกล่องไฟกล่องเพิ่อเนี่ยในข้าวนี่มันเป็นกล่องเพิ่อเพิ่อมันเผาเนีทุกที่สุดคือว่างานทั้งหลายทั้งปวงที่เทาเหตุมากเป็นคารวะเนียนง้มที่ว่าอันนี้แหะทุกที่สุดย่งสูตัวนี้ว่าอะไรบร่สู่เสียวหนึ่งของชีวิตที่มันจะจากไปเพราะนั้นยาตั้งอยู่ในความประมาทนะเออให้เบิ้งจบของไปนะให้พาอวันหน้ า, วนาวไว้เนาะ เนอ่เนี่ยเรามีเนื่องค์หนึ่งนั่งอยู่ประตูองค์นั้นคนบอกให้ลงฟอฟัง่งเลยคนเนี่ยมีเนื่อเองจหนกัมีมันมีสอง ด, า น, ด, ดานเลยด้านหนึ่บด้านสองคือด้านหนึ่งนี่อยู่ไกลอยู่โนไปด้านที่สองเนยอยู่ไกลแค่นว่าด้านที่สองเน่แปว่าไอ้ไปบอกมูไปองค์นั้นก็ต้องแล่นไปบอกมูเน่ไปองค์นึงก็เฝ้าไปถากนไปเนีบาน่องค์ที่องค์ด้านแรกกันก็นั่งเบิ่งนั่งไปนั่งมากกาเมื่อย้เคลดขึ้นมาแล้วไป ว้ยวยายหลวงปู่เอ้ยวัชแนนเนี่ยกับหุงจักอี่แล้วผ้าล่าเฮาเวปันจากขันท่าขันทั้งห า, า, า, า, า, าเป็นพลาอันนักกะจิเอาไว้เฮียนขันบากมันบอเป็นทากะจีมัสการแล้วตัวเนว่าเนีเนใหญ่เด้นวห่อยเลยวาวหน่อนเลยเนี่มัสการแล้วตัวหลวงปอหลวงปู่เขาก็บอกเป็นพลหันแห้งน่อจ็ะเอาไว้เฮียนจิตทหาทุกเฮียนนี่นั่นแซ่อยู่นิวัช เพราะมันเจ็บมันปวดกระดอกกระเดียกอยังยนอ้บกถาิมวันเด็กบาถ้าว่าเออเนแนมานี่ว่าเด็กเน่นหนีวันเด็กยามาลัางแขวนี้วันเด็กมันเป็นเรื่องของเานี่นะวันเด็น่าเป็นเรื่องของเจ้าวันเด็กชิวมาฮาวขึยังยินไส่จุน่นหิวนีาแค่แมวเออโอ้ยผมตีแรกผมก็คิดว่าโอ้โอตๆๆอายตาตาเข้าคึดนพิษแล้วบาดเนี่ยหลวงปูเนี่เป็นพะังขันแฉเลยพลวัวได้บาดนี้ ขนาเท่าคิดจะแทงลงปูยัยงหูจักกว่าจะเนีเออบาในฝกพระแตกคือเมาเ อ, อไาไปฝกพระที่เฝ้าทางนอกเอ้าเในเหมือนว่าจะเจ้าไปว้า้ยังกระเพื่อมันสิบอลแล้วผมบอไดอ้บอลแล้วผมก็คือดอยู่่นละยูุ่ประตูคุนนเอาจะเนีผมก็คืดว่าเอลงปูกัว่าลงปูเป็นพระหรหันแล้วถิมธาตุขันในง่ายๆสิเจียมหาโยยังขู่เจ้าวธาตุขันพระรหเวศปัญจขันท่าขันทั้งหาเป็นพระอนนักอยู่แล้ว เป็นอยั ง, งไปหาอยู่เห็อย่างเิมวันเหล็กก็เล้วตัวอ่าสันเออคนก็เลยเอือดผมเขาม้าแล้วสันยาหิบหนีนเนี้ยเนี้ยมาสันจะมาอยู่แถวนี้ยสันไม่เป็นเรื่องของเข้าเนาะสันเป็นว่าหลวงปูว่าทิ่ถิ่มแล้วมันถิ่มเป็นเรื่องของเข้ามันเป็นวิบติของเข้าอ่ะสันเองเจ้าอย่างมาหานี่ยจะมาหาคิดซอยเข้าอ่ะสันเป็นว่าเป็นดาเป็นดาเนีน้นยมาทุกเนี้ยอะไรก็เลยบอกดูเหมืนที่เป็นสมพ่านอยู่เ้ยเนี่นยเป็นสมพ่านเนี่ยโอ้หลวงปู พอตโตโ ต, โตพ้พนหูจักจิดใจพ้นขักขัเกลียวสันตรงปูบัวเหนือสันเจี๊ยนเอ่อนผมก็ยังคืด อ, อยู่บาดเนี่ยโอ้ยแตงแต่มเมือนันมากผมระวังป้องคืดขนาดเล่คนวะนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องของาธาตุขันนะคือาธาตุขันร่างกายเนี่ยในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนแกพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะร่างกายสังขารเนี่ยไม่ใช่สวรรค์ที่มาเนะี่ ตอนที่มันใจแยกจะแตกออกจากกันเนี่ยเป็นหมหันต์แต่ทุกทุกอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือธาตุขันจะแตกออกจากร่างกายให้พวกเราไปเห็นที่ป่วยในโรงพยาบาลหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลให้ออกซิเจนะพวกเราเห็นแล้วก็โอ้แต่พูดไม่ได้คนที่ป่วยแในพวกเราท่านทั้งหลายก็ลักษณะผ่านประตูนั้นเหมือนกันพอผ่านไปแล้ว ก, ก็จบแล้วก็ไปในนามาบอกอีกว่าเออทุกขนาดหนักเนะ้อ ในช่วงที่ใจจะขาดนั่นะไม่มีใครมาบอกมีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอยู่เหนือเวทนาอย่างหลวงปู่คาตันอย่างนี้หลวงปู่น้องแซงอย่างนี้นนท่านพูดดเลยโอ้โหทุกจริงๆนะจุดจริงด่านนี้เป็นดา่านเหรียจริงๆริ่าท่า น, นเวทนาตนัวนี้แต่แต่พวกเราเจ็บแกร่งปวดขาธรรมดานะเป็นเหรียญเหรียญพวกเหรียญหลานเหรียญเวทนาอันนี้มันปูวดโริงจริงๆที่จะมาบีบคอเราเนะี่ยเหมือนกันท่านว่านะ พลอยนั้นให้พวกเราคิดเอาไว้ เ, เตรียมเอาไว้คิดเอาไว้ภาวนาเอาไว้กาว่าพวกเราเตรียมตัวไว้แหละถึงจะเวทนาจุดไหนมาก็มาเถอะว่างั้นเถ อ, เอมันแค่ตายเท่านั้นแหละไม่เหลือจากนั้นนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะการดํารงชีพการธรรมาหาเลี้ยงชีพก็มีความจําเป็นคือพวกเราเกิดมาแล้วก็ต้องสอบสแสวงหาปัจจัยสี่ ปัจจัยสีคืออะไรอาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคไข้ไขเ้เจ็บและก็ที่อยู่อาศัยอันนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีและจะได้ปัจจัยสีมานั้นจะได้โดวยวิธีอย่างไรก็ต้องสอบแสวงหาทรัพย์ตั้งแต่เรียนหนังสือจากนั้นมาทําการทํางานมีเงินเดําเงินเดือนและก็ทํามาค้าขายสอบแสวงหาเงินพอได้เงินมาแล้วก็ซื้ออาหาร ซื้อผ้านุ่งหม่มซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเมื่อคราวจำเป็นและก็มีบ้านพักพาอาศัยอันนี้คือปัจจัยสีมีความจำเป็นจะต้องส ะ, สะแสวงหาเพื่อมาเลี้ยงชีวิตของพวกเราทุกๆคนที่เกิดมาแล้วแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แนะนำสั่งสอนดให้หาเงินเนอะถ้าใครขยันหมั่นขยันหาเงินชีวิตของพวกเราก็จะได้รับความสงบราบรื่น ด้วยปัจจัยสีให้ทุกอย่างลำบากอันนี้คือพวกเราหาแต่หลักของพุทธศาสนาท่านให้สอนให้ลึกเข้าไปคนนั้นอีกว่าเมืม่อได้เงินคำทรัพย์สมบัติแล้วก็ควรจะดูแลสุขภาพกายออกกำลังกายพักพรนอนเป็นเวลจำเวลาอันนี้ก็คือแพทย์หมอเขาแนะนำสั่งสอนอีกเรียกว่าสุขภาพกายให้รักษาสุขภาพออกกาลังกายที่พวกเราก็เห็นดาบดืน ออกกำลังกายตอนเช้าบางทีก็เดินบางทีโขวิ่งสุดแค่แต่หมอจะแนะนำให้ทำยังไรออกเวลากำลังกายมากน้อยแค่ไหนแต่บางคนก็ไม่ไม่ได้สนใจเท่าที่ควร mm hmm. เพราะว่าขี้เกียจนะอย่างนี้ก็มีแต่แต่แตามไม่จริงก็ควรจะปฏิบัติเพราะว่าเหตว่าถ้าหาว่าสมมติว่าเราป ส, สวงหาทรัพย์เงินมาม า, มากแต่สุขภาพกายของเราไม่ดี เราคิดดูสิว่าเป็นเอามาเพลิดเอามพาพลาดอย่างนี้ถึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านสุขภาพไม่ดีพวกเราคิดดูสิไปหยอดข้าวต้มเป็นกินข้าวต้มมีแต่ให้น้ําเกลืออยู่ในโรงพยาบาลน่ะพวกเราว่าหาความสุขได้ไหมหาความสุขไม่ได้เพราะว่าสุขภาพกายของเราไม่ดีแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเขาไปอีกว่าให้รักษาสุขภาพจิตเป็นอการสดใสหาทรัพย์การออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพกายและก็พร้อมกันก็ให้รักษาสุขภาพจิตรักษาสุขภาพจิตอย่างพวกเราท่านทั้งหลายผู้สูงอายุขนาดนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสุขภาพจิตจะรักษาอ ย, าาย่าใครรักษาสุขภาพจิตในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่มีอย่างอื่นอย่างหมอเมืองไทยของเรานี่นะหมอจิตเวชนะท่าจะว่าไปแล้วหมอจิตเวชน้อยนะหมอจิตเวช ต, นะ ต, ต, ต่างประเทศของเขาเนี่ย ม, มากเพราะเหตุไรเพราะว่า คนเป็นโรคคิดมากอย่างเนี้โรคคิดมากต้องไปหาหมอแล้วก็ไป น, นั่งสนทนาปรับรบกับหมอไปพูดอะไรให้หมอฟังหมอก็แนะนำบ้างแล้วก็เอายาให้แต่เมืองไทยโดยมากมีพระสงฆ์อยู่วัดวาศาสานาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเขามาหาหลวงพ่ออย่างนี้แหละถ้าจะว่าไปหลวงพ่อก็เป็นหมอจิตเวทเหมือนกันแต่หลวงพ่อนำทำคา ส, สอนของพระพุทธเจ้า มาเผยแผ่มาประกาศมาแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่านี่นะให้เราคิดเป็นภาษสาใจของตนเองมาอยู่เสมอว่าถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะต้องทิ้งทั้งหมดแนะจริงไหมนี่ก็เหมือนกันอันนี้แหละคือการดูแลสุขภาพจิตเมื่ออยู่ในตามลาพังล้วก็ภาวนาภาวนาบริกรรมพุตโธพุตโททำจิตใจให้สงบ ไม่ปรุงฟุงซ่านแต่ว่าพวกเราคิดปุงฟงซ่านออกไปข้างนอกวิตคิดมิตรปุงมิตรปุงมิตรคิดนะอคนที่คิดปุงฟงซ่านมากๆสุขภาพจิตมันจะแย่เสียทิ้งพอสุขภาพเสียนเหมือนกับว่าวเชือกขาดทีนิ่งมันลอยลมไปเลยทิ้งสุขภาพจิตแย่เอาอย่างไงกระผลที่สุดก็ได้ส่งเข้าศสีทางยามหาโพลอะไรทิ้งโรงพยาบาล ข อ, อนแก่นของเราก็มีพเพราะอะไรเพราะเหตุว่าเราคิดปุุงฟุ้งออกไปข้างนอกมันจนขาดการยับยั้งในจิตใจแต่หาว่าพวกเรามีสติสัมปชัญญะเราคิดไปเรื่องอะไรทําไมเราจึงคิดน่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางอย่างที่หลวงพ่อได้พูดต้นต้นมาถึงพวกเราจะรับผิดชอบขนาดไหนข้าพเจ้าจะต้องหนีจ ะ, จะต้องตายจะต้องหนีจากเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดไปมาก เราจะได้ประโยชน์อะไรอีกสักวันนึงเขาคว น, นีจากเราเราก็จะหนีจากเขาอยู่แล้วเพราะนั้นที่มันไม่ลำบากหรือมันไม่เกินไปเราก็หย่วนให้อภัยแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎกฎติการนนั้นนี่แหละถ้าว่าพวกเราคิดในใจอย่างนี้อุณหภูมิในจิตใจของพวกเราก็จะลดลงถ้าจะโกรธให้แกใครก็จะไม่โกรธมากถึงจะรักใครก็ไม่รักมากเพางั้นแบะ เพราอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องห น, นีจากเราอยู่แล้วถึงจะกโกรธให้เขาเขาอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องห น, นีจากเราเราก็จะหนีจากเขาอยู่แล้วไม่รู้จะกโกรธไปทําไมแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นถ้าโกรธก็โกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายจากโลกอย่างนั้นนหละแต่ไม่มถึงร้อยปีนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนแล้วว่างั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะต้องห น, นีจากกันเพราะนั้นท่านจึงให้คิดไว เป็นภาษาใจของตนเองอันนี้คือรักษาสุขภาพจิตนะถ้าว่ามีการส่อสวงสหาทรัพย์ด้วยการออกกำลังกายพอสมควรและการดูแลสุขภาพจิตการศึกษาในการดูแลสุขภาพจิตนี้ทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายจะต้องศึกษาและก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยแต่ถ้าว่าพวกเราไม่รักษาสุขภาพจิตนะ แปล่อยปะละเลยมีแต่ทำมาหาเลี้ยงชีพมีแต่ปล่อยกิจปล่อยใจสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาไปทีละวันละวันผลีิสุดเมื่อเท่าแกชา่ชราอาเมื่อเท่าแก่ชรามากกว่านี้นะสติของเราก็เหมดไปกว่านี้ลูกหลานเขาก็ไปทำการทำงานทำทำตามหน้าที่ของเขาตัวเองก็อยู่บ้านกิตใจกว้างเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราเหตยไปเพราะว่าใจของเราไม่มีหลักเพราะฉะนั้น ต้องหาหลักตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราควรจะหาหลักยึดหลักยึดคือเนี่ยพระธรรมคำสั่งสอนหรือว่าศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีลูกชายนายช่างทองเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไม่เข้าวัดมันก็แต่แต่ลูกชายเนี่ยเข้าวัดไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระโสดาบัน แต่คิดถึงพอ่อโอ้พ่อเนี่ยทำอย่งงางนั้นรู้สึกว่าห่างเหินวัดเหลือเกินชวนไปวัดก็ไม่อยากจะไปอแต่ก็ไม่คัดค้านหรอกแต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ลูกชายนับถือพระพุทธเจ้าวัวนหนึ่งก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าเขาพร้อมกับพระสงฆ์อมาฉันในบ้านพอฉันเสร็จแล้วอพระพุทธองค์มาที่บ้านใช่ไหมละ่ะเตามที่เป็นบิดาของนายช่างทองไม่เข้าไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเข้าไป เพื่อเข้าไปเพื่อฟังฟังฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วฟังแนวความคิดของพระพุทธเจ้าพอเข้าไปแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่าพราหมณ์ท่านได้คิดไว้หรือยังท่านจะได้เดินทางไกลนะพราหมณ์จะต้องเดินทางไกลนะอีกสักวันหนึ่งได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้หรือยังสเสบียงเดินทางที่เตรียมไว้เนี่ยเพียงพอหรือยังเมื่อเดินทางนะ่าจะไปพักที่ไหน จะคิดไวเลยอย่างต้องได้คิดไว้นะถ้าไม่คิดเอาไว้ล่วงหน้านะทุกน้พามนะท่านต้องทุกข์ลำบากนะเหมือนกับเราจะเดินทางไกลเราต้องเตรียมเงินไว้ในกระเป๋าผ้านุ่มร่มรองเท้า อ, อย่างเนี้ยหมวกอย่างเนี้ยเราจะต้องเตรียม ใ, ใส่ที่จะเดินทางนี้ท่านได้เตรียมไว้เลยอย่างอันนี้ท่านจะต้องเดินทางข้ามภพข้ามชาตินะท่านจะต้อง หนีจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งแต่ท่านจะไม่ท่านจะไม่สูญนะตายแล้ววิญญาณจะออกจากรากของท่านแต่ท่านจะต้องมีไปเกิดในพบภูมิใหม่ๆไปพบภูมิใหม่ต่อไปแต่วิญญาณของทานนึกใจของท่านนั้นได้สร้างบุญกุศลไว้เพียงพอได้อย่างถ้าหากว่าท่านไม่ยังไม่ได้สร้างนะท่านต้องสร้างเอาไว้นะ อ, อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าท่านต้องเดินทางไกลแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น จากนั้นคามเกิดความสรดสังเวชใจจากนั้นเขาก็เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอแล้วก็ปฏิบัติธรรมเขาก็ได้สําเร็จเป็นพระสุรดาบันเหมือนลูกชายของเขานี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าศึกษาในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนี่แหละพวกเราน่าน่าฟังน่าน่าสนใจน่าศึกษา พราะพุทธเจ้าท่านตะก่อนท่านก็นอยู่มีความสุขยิ่งกว่าเราเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์อยู่กรุงกบินลพัฒมีพร้อมหมดทุกอย่างอัครมเหสีสนมนาเร่ข้าทาบบริวารทุกอย่างแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกบวชทาไมท่านเห็นอะไรท่านคิดเรื่องอะไรหนีก็หนีออกกลางคืนอีกต่างหากจนถ้าเป็นเราเป็นพ่อนะ ถ้าเราเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของพระศิษฐาอย่างพระเจ้าสุดโพทนะท่านจะคิดอย่างไรเพราะลูกชายคนเดียวไมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นผู้ครองราชแล้วก็เป็นผู้ส ม, มูรณ์ทุกอย่างแต่หนีออกไปจากเวียงวังกลางคืนอีกต่างหากไม่รู้ไปที่ไหนออย่างนี้นะแล้ว บ, บริวารประสกนิกรทั่วประเทศอ่ะจะคิดอย่างไรอ ท, ไทําไมศิทษถะจึงหนีออกบวช แต่ตามไม่จริงไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าใจของพระพุทธเจา้าในใจศีรถะนั้นท่านคิดอะไรในช่วงนั้นเ อ, อท่านคิดว่าเราเกิดมานี่แหละพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ายายไปไหนหมดเ อ, อปู่ทวดของเรามีแต่ทิ้งสมบัติไว้ไว้ทิ้งไว้ทั้งหมดใครเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างมีแต่เงินคำเป็นทอดรักษากันมามีแต่หาแล้วก็เก็บหาแล้วก็เก็บไว้ใน ในเวียงในวังในคลังหลวงไม่มีใครที่จะเอาไปได้ด้วยสักอย่างแล้วก็ชีวิตก็เห็นคนแก่พอเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะคือนักบวชในวันไปเยี่ยมสวนอุทยานจากนั้นพระองค์ก็แล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรจะมวีวิธีการอย่างไรที่จะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะทำยังไง แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเวียงในวังอย่างนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะคิดได้เพราะเหตุใดเพราะภาระธุรกิจภุ ร, รมันมากดูแลแต่การทํามาค่าขายดูแลบริษัทบริวา ร, รดูแลประเทศชาติดูแลคนในเวียงในวังทหารตำรวจรักษาทุกสิ่งอย่างเพราะท่านเป็นผู้สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวเพราะเป็นเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นถ้าเราอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่มีโอกาสคิด ท่านไปเห็นสมณะคือนักบวชนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธินิ่งอยู่องค์เดียวเออถ้าว่าเราได้มานั่งคิดอย่างองค์เนี้ยอย่างพระองค์เนี้ยเราก็คงจะหาแนวคิดได้ดีเพราะฉะนั้นท่านเห็นสมณะเสร็จแล้วท่านก็กลับมาในเวียงวังนั่นแหละจากนั้นพระ อ, องค์ก็บอกนายฉันนะ อ, อให้เตรียมมา้ากันขะกะไว้นะ เ, เดี๋ยวเราจะหนีตะคื น, น ย, ย่าบอกใครนะนี่แหละพระพุทธองค์จึง บอก น, น, นายชนะเพียงผู้เดียวจากนั้นก็ขึ้นมากักนทกษะแล้ววิ่งออกจากไกรุงกบินละพัฒเวลากลางคืนไปเลยถึงกรุงราชทฤกขื้อมงนั่นเถอะแต่ทุกวันนี้ถ้าว่าใครไปเมืองอินเดียเขาบอกว่าจากกรุงกบินละพัฒเนี่ยไปถึงกรุงราชสักขื้นประมาณสองร้อยกว่ากิโลนะเนีถ้าสองร้อยกว่ากิโลนี่แหละจากวัดนาคําน้อยไปถึงเมืองขอนแก่นมั้งนั้นเถอะเมืองศรขอนแก่นจากนี่ไปเนีแปลว่าชีตาหนี่นั่ง ขี่ม้ากันตะกะเที่ยงคืนบึงแตพ่พดตะเพืออะไรพกันเถิดเออองจิตโจรทยานอย่างเต็มที่แหละอพอไปถึงแล้วก็ไปถึงแม่น้ําอโนมาอะอนุมาณทีก็ถึงฝั่งแม่น้ํานั่งพักเหนื่อยเสร็จเรียบร้อยก็จากนั้นก็พระองค์ก็ได้ผ้าแล้วก็ขี่ผ้าออกมาแล้วก็เอพระองค์ก็ปองพระเกษาด้วยพระแสงดาบตัดพระโมรีด้วยพระแสงดาบพอตัดเสร็จเรียบร้อยอะไรก็ใส่ชุด ผ, ผ้ า, าผมผ้าย้อมฝาดผมผ้าย้อมฝาดจากนั้นก็บวชเป็นพระแน่จากนั้นก็ศึกษาคนคว้าบบศึกษาคนคว้าอยู่หกปีอยู่ตามลำพังบบศึกษาอยู่ที่แม่นาอายู่แถบทันเหลบบ่านันนจัดแน่ทีนี้ในก า, การศึกษาคนคว้าหกปีนั้นท่านทำอะไรมีมากมายในพุทธประวัตินะแต่เราไม่ จะคงจะพูดในการค้นคว้าศึกษายาวเกินไปแต่เราพูดเฉพาะวันที่ว่าท่านได้ตัดสู้ในวันเดือนหกเพ็นนั้นน่ะท่านได้ตัดสู้อะไรในวันนั้นที่วันท่านที่ว่าท่านได้สําเร็จเ อ, อในวันนั้นนะเพราะพระพองค์ท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิวันเดือนหกเพน็นพระอาทิตย์ยังไม่อัจจดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นนายโสวิยะ คงจะไปเกี่ยวญ่าคามั้งมาหมู่บ้านของเขานั่นก็หาบมาพอมาหาบมามาเห็นสิทธทะนั่งอยู่ตามลําพังอยู่โคนต้นโพโสธิยะเลยเออเกิดความเคารพเรื่อมใสาเพราะเห็นว่าต้นโพเนี่ยคงจะเป็นรากตะปุ่มตะปำเนี่ยพวกเราเห็นต้นโพเก่าแก่นะฮะเห็นรากมันก็มันลอยขึ้นมาแต่คงจะนั่งไม่สะดวกน ะ, ะนายโสธิยะก็ก็เอาย่าคาเข้าไปไปถวายแปดกำมือ พอถวายเสร็จแล้วท่านศิตถักก็เกลียยาคาลงไปในพื้นดินพอเกลียเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคือมีสติสัมปชัญญะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในหลายพวกเราฟังเอาไว้นะถึงใครจะพูดยังไงก็ตาม นั่งกรรมฐานนั่งพวกนี้กรรมฐานนี้แต่กรรมฐานหลักจริงๆของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ในวันนั้นพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ให้จิตคิดไปทางอื่นไม่ให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้มาเลยนี่ให้ใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ เราให้มีสติอยู่เดียวนี้ให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นจิตของพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งใจนิ่งขึ้พอใจนิ่งขึ้นมาพระ อ, องค์ก็พอจบใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณเกิดฌานเกิดญาณทัศนะเกิดความรู้ขึ้นมาในขณะที่จิตสงบเนี่ยเพราะสมาธินี่ฌานเป็นผลพลอยไดจากสมาธิถ้าจิตไม่สงบสกก่อนจะไม่เกิดฌาน เพราะนั้นฌานเป็นผลปล่อยได้จากสมาธิสมาธิคือจิตสงบซะก่อนแล้วเกิดญ า, าณทัศนะก็เกิดฌานขึ้นมาแล้วก็ระลึกชาติชาติที่แล้วเนี่ยบอกปุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายชีวิตของพวกเราเดียตายแล้วไม่สูนสรุปแล้วตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะถ้าตายแล้วสูญพราะพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้อย่างไง อันนี้พระพุทธเจ้าเราลึกชาติผลหลังได้เพราะวิญญาณดวงนี้ที่พวกเราเนี่ยไม่ศูญจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปไหนเนี่ยในหัวข่ําพระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้ธรรมอุปเพนวาสานุจติยานเราลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูตตปะปะตาตยานการตุติคือวิญญาณออกจากร่างมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปไหนเนี่ยนี่แหละ พระพุทธองค์รู้อีกในเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้จัดสรู้ธรรมว่าได้จัดสรู้ธรรมเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธยานได้จัดสรู้พระพุทธองค์บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่เกิดอีกแล้วเราชำระใจของเราที่เหลืราคะโทสะโมหะขาดกระจุยกระจายออกจากใจของเราแล้วตัวที่จะทําให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นคือกิเลืราคะโทสะโมหะแต่บัดนี้เราได้กําจัดออกหมดแล้ว ใจของเราบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะมานําใจของเราให้ไปเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วเหมือนกับท่านทําน้ํามันมะพร้าวอย่างพวกเราเห็นไหมคนโบราณเขาทาน้ํามันมะพร้าวทุกวันเขาก็ทําพอเอามะพร้าวมาก็เขาก็ขูดด้วยกระต่ายพอขูดขึ้นมาแล้วเขาก็มาคั้นกะทิพอคั้นกะทิเสร็จแล้วเขามากรองอพอกรองเสร็จแล้วเขาใส่กระทะพอใส่กระทะแล้วเขาก็มาต้ม ต้มน้ำกะทิผลที่สุดน้ำกะทินั่นแหล่ะมันก็กลายเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นน้ำมันมะพร้าวในเมื่อเป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวกับกะทิมะพร้าหรือว่าขุยมะพร้าวนี่ยเราจะเอาน้ำมันมะพร้าวมากระยำกับขุยมะพร้าวมันเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะน้ำมันมะพร้าวมันลอยมันเป็นอีกมิติหนึ่งมันเป็นอีกระบบหนึ่งมันออกจากน้ำกะทิ นี้ก็เหมือนกันน่ะใจที่บริสุทธิ์ออกมาจากใจที่มีกิเลสแต่พ้นออกไปแล้วจะนําใจที่บริสุทธิ์นั้นมาเข้ามาสู่จิตใจที่มีกิเลสมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันออกไปแล้วมันรู้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วอันนี้ก็เหมือนกันน้ำมันมะพร้าวกับกะทิมะพร้าวมันเข้ากันไม่ได้ตั้งที่มันออกจากกะทิมะพร้าวนั่นแหละออกมาจากขวยมะพร้าวนั่นแหละแต่มันเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันออกไปอีกระบบหนึ่งแล้วนี้ก็เหมือนกัน ใจของพระองค์ที่ท่านชมฤติเลตราคะโถสะโมหะกับลักษณะอย่างนั้นแหละยวก่ำนิพพานัปานางปรมังศูญอย่างนิพพานศูนย์ศูนอะไรศูญเชื้อเชื้อที่จะพานำให้ปไปเกิดในวัฏสงานะสารศูนย์หมดแล้วเอนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุใดเพราะว่าสิ่งที่จะนํามาทำํำมากวนจิตมากวนใจของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์ตัดออกแล้วอ ไม่มีอะไรที่จะมากวนกิจควนใจของพระองค์อีกแล้วนั่นแหละจังหวัดนิพพานหนั่งประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างพ้อยนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสหา ญ, ญาติโยมทุกคนนะธรรมะปฏิบัติของผู้ไทเจ้าเนะี่ยมีที่สิ้นสุดแต่พวกเรามาปฏิบัติหรือว่าสนใจในภาคปฏิบัติมีที่สิ้นสุดอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมก็แนะนําสั่งสอนลูกหลาน ให้แนะนําสั่งสอนลูกหลานเออทูกหลานเลยพวกเราอยู่ในโลกเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต่อต่อโลกเขาเนอะ mm hmm. เมื่อเราอยู่ในโลกเ อ, อเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับโลกวัตะสงสารเขาการที่ทจะพัฒนาสภาพัดมาถามหลวงพ่อว่าการที่จะพัฒนาประเทศชาติเราจะพัฒนาจุดไหนมันที่จะถูกจุดผมจะเขียนแขนสิบครับหลวงพ่อเขาถามน่ะหลวงพ่อก็บอกว่า ต้องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าคนดีแล้วสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะดีไปด้วยถ้าว่าคนไม่ดีถึงจะพัฒนาสิ่งอื่นตึกร้านบ้านช่องเหลืองอา a ามไปด้วยเพชรนินจินดาแต่คนในชาติขาดคุณภาพขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเต็มไปด้วยกินเหล้าเมายายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนช่วยชายเสียหายไม่ได้พัฒนาคนมีแต่ พัฒนาเติบต้านวัตถุนั่นแหละพอวัตถุขึ้นมาเหลืองอาลามขึ้นมาแล้วไอ้พวกนี้แหละพวกมนุษย์ทั้งหลายนี่ที่ไม่มีศีลธรรมจริยธรรมนี่น่ะในฐาดคุณธรรมเลยจะไปรื้อเพชรนินจินดาวเหล่านั้นออกมาขายกินมดนั่นแนหะเพราะนั้นต้องพัฒนาคนก่อนนะถ้าว่าคนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพลอยดีไปด้วยหลวงพ่อว่านะและก็พร้อมกันก็ให้พัฒนาดูให้ดูสิ่งแวดล้อม ถ้าสิงแวดล้อมพวกเราพิจารณาดูวนะ่สิ่งแวดล้อมนะั่นคืออะไรแต่ในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งแวดล้อมนะ่ะท่านเปรียบเทียบในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านประทับอยู่ที่กรุงราชตะคือคราวนั้นมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงราชตะคือนะส่งลูกชายไปเรียนเมืองตะกศิลาไปเรียนตะกศิลาพอเรียนจบแล้วก็กลับมา ก็กลับมามาบ้านแล้วเห็นพ่อป่วยเ อ, อคงพ่อป่วยหนักอพ่อเนื้อคงจะป่วยก็คงจะคอยลูกชายมั้งในยังไม่ตายเพราะงั้นแต่ลูกชายก็มาเห็นมาเห็นพ่อพ่อก็เลยบอกว่าโอ้ลูกเอ้ยพ่อขอสั่งเสียลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายนะลูกนะให้ลูกเขารบทิศทางหกนะลูกนะอันนี้เป็นวาจาของพ่อที่สั่งลูกพ่อไม่มีเวลาที่จะพูดให้ละเอียดยาว พ่อมีแต่สั่งเสียว่าให้เคารพทิศทั้งหกนะลูกนะให้คารวะทิศทั้งหกนะให้นอบน้อมทิศทั้งหกนะถ้าหาว่าลูกเคารพคารวะนอบน้อมทิศทั้งหกความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับลูกการบริหารจัด ก, การทรัพย์สมบัตทิที่พ่อจะมอบให้เนี่ยตระกูลของเราก็จะไปได้ดีแต่ถ้าว่าลูกทําไม่ถูกไม่คารวะไมอ่อนน้อมต่อทิศทั้งหกความหา ย, ยนะก็จะเข้ามาสู่ตระกูลของเราได้ง่ายนะลูกนะ ให้ฟังไว้เน่าลูกเน่อให้เชื่อฟังคำคำของพ่อนะลูกเน่าพอพูดเท่านั้นพ่อขวใจขาดตายไปพอตายไปแล้วก็ลูกชายที่เป็นสิงค์คามานพเนี่ยก็อโอ้ตายพ่อเนี่สั่งเสียจริงจังเหลือเกินให้คารวะเขา ร, ะะขารบนอบน้อมทิศ ท, ทั้งหกข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดในบิดาของข้าพเจ้าสั่งเนี่ยเพราะท่านสั่งเสียอย่างจริงจังเหลือเกินจากนั้น สินคายมานบก็จัด ก, การศพ บ, บิดาของตนเองให้เรียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ออกไปเลยทปนี้ไปเค า, ารพคารวะนอบน้อมทิศทั้งหกประการพอไปถึงในชายป่าไม่ว่าฝนตกไม่ว่าแดดออกไม่เห็นว่าหน้าหนาวหน้าร้อนประือนกันเถอเขาจะไม่ให้ขาดแม้แตะวันเดียวพอไปถึงแล้วเขาก็ยกมือไหว้ทางทิศ ต, ตะวันออกแล้วกับไหว้ทิศ ต, ตะวันตกไหว้ทิศเหนือไหว้ทิศใต้ ไหว้ทิศเบื้องบนฟ้าอากาศไหว้ทิศแผ่นดินมันงั้นเถะมันครบครพอดีใช่ไหมตามปกติมันจะต้องทิศทั้งสี่มงั้นเถอะอันนี้สิงคาลมานพไหว้ทิศทั้งหกมันงั้นเอะทำอย่างนั้นอยู่ตลอดไม่เคยขาดเพราะเป็นคําสั่งบิดาของตนเองสั่งด้วยจริงจังแต่พระพุทธเจ้าท่านอยู่วัดเวรุวันกรุงราชคือท่านเห็นโอสิงคาลมานพเนี่ยทาไม่ถูกตามอริยะประเพณี แต่เขาผมไม่รู้เพราะบิดาเขาไม่ได้อธิบายให้ฟังว่าทิศทั้งหกนั่นคืออะไรวันนี้แหละเราจะไปพบพูดกับเขาทําความเข้าใจกับเขาเขาก็เป็นคนมีศรัทธาอยู่เด็กหนุ่มคนนี้เหมือนกันนะพระองค์ก็ได้ไปบินทบาทกับพระอานอนุนพอไปก็เดินผ่านเขาพอผ่านไปเห็นสิงคาา์าลมาโนทออไหวทิศทั้งหกอย่างที่ว่านั่นตะวันทางทิศ ต, ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แล้วก็เบื้องสูงเบื้องต่ํา เหมือนกับพวกเราออกออกกาลังไทยเก๊กอย่างนั้นหลังงานแต่แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาทําอะไรเอแต่ว่าตัวเองีรู้ว่าไหวทิศทั้งหกว่างานแต่เพราะพระพองค์ก็เดินผ่านไปพระพองค์ก็ถามว่ามาน์สิงคลามานพเธอทําอะไรมาน์ก็ตอบว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าค่ะถูกไหมล่ะใครเป็นคนบอกให้ทําบอกว่าบิดาของข้าพเจ้าเสีงก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจเข้าออกนะ่ะ ตอนที่ท่านจะตายท่านก็นสั่งกับผมว่าให้ไหว้ทิศทั้งหกเนาะถ้าไหว้ทิศตั้งหกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะถ้าไม่เคารพไม่หนบน้อมทิศตั้งหกจะหาความรุ่งเรืองไม่ได้ในการบริหารจัด ก, การการเป็นอยู่ในตระกูลของเราข้าพระองค์จึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไปเจ้าพานพราพระพองค์บอกว่ามันถูกไหมไหว้ทิศตัง้งหกอางนั้นตามอริยะประเพณีตามทํานองครองธรรมมาแล้วมันไม่ถูกนะมนก เธออยากจะฟังไหมถ้าอยากจะฟังเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังตั้งใจฟังมานอค ก, ก็อยากจะฟังพระเจ้าพานมานอค ก, ก็เดินเดินเข้ามายืนตระนมมือฟังเพราะพระพุทธองค์บอกว่าทิศทั้งหกไม่ใช่อย่างที่เธอคิดอย่างนี้นทิศทั้งหกคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้ามารดาปิดาบุตรควรปฏิบัติตนอย่างไรกับปิดามารดาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจกรรมของท่าน ดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับชับยมรดกอันนี้คือปฏิบัติต่อบิดามารดาคือทิศเบื้องหน้าพวกเราถ้าปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าไม่ถูกเจียดยามดูถูกพ่อแม่ของตนเองจะหาความเจริญไม่ได้ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติต่อบิดามารดาเป็นบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนอพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะก่อนอแล้วก็ท่านเป็นผู้ นี่พวกเราก็เป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทิตาต้องตอบแทนตระกุลของท่านเเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจวัตรของท่านดํารงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกนี่แหละคือหน้าที่ของลูกให้ปฏิบัติให้ถูกนะที่เบื้องหลังสามีภรรยาถ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดก็ตามออกนอกลู่นอกทางสามีก็ไปอีกแบบหนึง่ง เที่ยวเตรไม่รู้จักรับผิดชอบพอภรรยาก็ออกไปอีกแบบหนึง่งไม่รู้จักรับผิดชอบสามีภรรยาคู่นั้นจะหาความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้ครอบครัวนั้นแตกกระจุยกระจายกันเพราะเหตุใดเพราะปฏิบัติไม่ถูกเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ต้องเคารพสิทซึ่งกันและกันหัวใจเขาหัวใจเราถ้าเราไปเที่ยวหรือไปทําอย่างนี้ภรรยาเขามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าว่าภรรยาก็เหมือนกันถ้าเราออกนอกลูนอกทางสามีของเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราทําตนอย่างนี้หัวใจเขาหัวใจเราถ้าว่าพวกท่านปฏิบัติถูกแล้วนั่นแหละความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวอันนี้คือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกคนต้องมีครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกตลอดถึง เราเป็นเรียนวิชาอาชีพช่างคนช่างตัดเย็บตัดผมมีมากมายวิชาอาชีพอยู่ในโลกเป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แนะนําชีวิตของพวกเราวิถีชีวิตของพวกเราแนะนําการทํามาหาเลี้ยงชีพพวกเราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดในเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เราไปพบไปเห็นน่าจะสถานที่ใดเราไปเห็นครูบาอาจารย์เราต้องลุกขึ้นยืนรับ เข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถามด้วยเรียนศิลปะวิทยาจากครูบาอาจารย์อย่าเมินเฉ ย, เ, ฉยเวลาเห็นครูบาอาจารย์ถ้าเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาก็เข้าไปยืนต้อนรับเนี่เข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากแล้วก็ด้วยเรียนศิลปะวิทยาสิ่งไหนเนี่ที่ครูบาอาจารย์ยังสอนอยงังค้างค้างอยู่เข า, า, าก็จะให้วิชาอันนั้นให้แก่เราเข้าไปอีกพวกเราจะได้วิชาจากครูบาอาจารยา์ ชีวิตของพวกเราก็จะสูงขึ้นเมื่อได้รับคาแนะนําจากครูบายจาย์คิดเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาแล้วจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีมิตรไม่มีสหายนะเต็มไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้มิตรสหายคือกราร l a y a มิตรมิตรที่ดีงามเอพบมิตรที่ดีงามถ้ามิตรเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอย่างนั้นเ อ, อไม่หักหลังเขาไม่คดโกงเขา เชื่อถือนับถือตลอดวงของมิตรสหายอีกมีอะไรก็แบ่งปันให้มิตรสหายเน้อยู่กินมิตรสหายก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าว่าคนมีมิตรสหายที่ดีมีหมู่เพื่อนที่ดีแล้วนั่นหละความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นทิศเบื้องต่ําคนรับใช้คนงานแคนรับใช้คนงานของเราเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาให้อาหารรางวันแหนรางวันแก่เขา เวลาเขาเจ็บไข้ในป่วยเราต้องดูเขาดูแลความเจ็บไข้ในป่วยเขาให้ความอบอุ่นแก่เขาถ้าเขาได้รับความอบอุ่นจากเรานที่เป็นเจ้านายของเขาเขาก็ทํางานให้เราเต็มที่ทุ่มชีวิตจิตใจให้แก่เราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีน้ําจิตน้ําใจแก่เขาเขาก็ไม่มีน้ําจิตน้ําใจแก่เราการจะสั่งการสั่งงานสิงไหนออกไปมันก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะบริวารของเราไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ถุกจริตอีต่างหากเพราะนั้นทิศเบื้องต่ํา อันนี้คือพวกเบาพวกคนงานพวกคนรับใช้เหล่าครับที่เปื้องบนสมณพามณ์สมณพราหมณ์ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยจะพลาดถ้าจะว่าไปก็คือสมณพราหมณ์เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าชดไทยญาติโยมลูกหลานเข้ามาหาก็ต้องแนะนําสั่งสอนเออสิ่งนั้นผิดถึ่งนั้นถูกนะ่นรกสวรรค์มีจริงน่ะตายแล้วไม่สู่น่ะลูกหลานน่ะตายแล้วเกิดอีกไนงะอย่างลวงพ่อพูดเอง อ่าบเุเคลในวาสานุสิติยาและลึกชาติผลหลังได้อย่างไรเอานํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวตายแล้วไม่สูน่นะจิตใจออกจากร่างจากร่างกายไปนะเนี่นี่แหละคือส ม, มณพราหม์ท่านจะแนะนําสั่งสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปุลกุลโทษเป็นผู้ชี้นําของชีวิตของพวกเรานี่อันนี้เรียกว่าส ม, มณพราหม์ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกในทิศทั้ง6นะความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่พวกเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วมีแต่ความหา ย, ยานะคือความกิบหายจะเข้ามาใกล้พวกเราทิศเบื้องหน้าปฏิบัติไม่ถูกต่อบิดามดาเป็นไงท่านไล่ออกจากกองมารุกท่านไม่ให้เข้าไปใกล้ท่านเราจะมีความสุขไหมเพราะเราดื้อด้านดื้อรั้นไม่ยอมฟังทิศธิมาณนะ์มีอะไรก็ข่มขูท่านจะเบียดเบียนแต่ท่านท่านไม่ให้เข้าไปใกล้คิศดูสิว่าตัวเองจะเป็นยังไงหาความราบเรื่มในชีวิตไม่ได้ เพราะนั้นปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาก็เหมือนกันสามีภรรยาแตกแยกสามัคคีแลว้วไม่มีความปองรองกันและหาความชุกไม่ได้อีกเหมือนกันทิศเบื้องขวาครูบายอาจารย์อีกเหมือนกันทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําพวกปริวานก็เหมือนกันทิศเบื้องบนสัมมณะพรามเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายสาัตยาติยมทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังให้ปฏิบัติให้ถูกเลืออย่างน้อยก็สอนลูกสอนหลาน ให้ชงวงศสารณนญาติให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าได้ไปพิสูจน์แล้วที่โกนต้นโพนั่นนะถึงหกปีได้ตัดรูธรรมในวันนั้นจึงได้นำทำคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระพุทธ อ, องค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญเมื่อจิตสงบแล้ว เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเนี่ยเหมือนเป็นอันหนึง่งจิตใจคือนามธรรมตัวผู้รู้นะ่ะจะเด่นชัดเป็นอันหนึง่งถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนลงไปก็คือรถกับคนขับรถรถก็คือร่างกายคนขับรถก็คือจิตวิญญาณคือใจคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยูอ่ก่อนรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับไปคือวิญญาณขับไปแต่ถ้ารถมันหมดสภาพรถมันเสียนะ รถลูกสูบติดอย่างนี้ถึงจะโชเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนประคับเคลื่อนไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะรถมันเสียวันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมหน้าแล้วก็วิธีการปฏิบัติอยู่ในบ้านในเมืองก็ในบ้านในเรือนก่อนี่ยไหว้พระสวดมนต์อารหังสวากโตสุตปฏิปันโนนี่แหละให้ไหว้พระทุกวีทุกวันจากนั้นก็นั่งสมาธิอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดพระพุทธเจ้านั่งยังไงเนี่ยนั่งอย่างพระประธานเรานั่งนั่งอย่างนี้ล่ะ จากนั้นกับบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ทําจิตใจให้สงบถ้าคนจิตใจสงบดีแล้วนะั่นจิตใจจะไม่ปุ่งฟุ้งซ่านไม่เป็นบ้าคุณง่ายๆถ้าคนสติไม่อยู่กับตัวสติไม่อยู่ค้างเนื้อกับตัวจิตใจปุ่งฟุ้งซ่านออกไปกนเหมือนกับว่าเชือกขาดนะัะนไม่ต้อาศัยย า, ท า, ยยาเท่านั้นเลยใชยาก็เท่านั้นแหละมันสู้สติของเราไม่ได้ทนะ่านสติเราฝึกไว้อยู่เสมอ สติมีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่เสมอคนนั้นจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมนะฝอยนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนำธรรมะทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเนอะนี่แต่ความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าปฏิบัติได้นะถ้าพวกเราปฏิบัติไม่ได้ไม่ปฏิบัติต่อศีลธรรมแล้วเอจิตใจของเราก็ปล่อยไปตามยถากรรมว้าเหวีอ้างวางเงียบเหงาเศร้าซึม แล้วก็ไม่มั่นใจอีกต่างหากเพราะตายแล้วจะไปยังไงพร้อมใจไม่มีจุดยึดนะ่ะแต่ถ้าพวกเรายึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละพวกเราจะเห็นช่องเห็นทางจิตใจข อ, ของเราก็จะเย็นสบายมีความสุขนะ่ะตายก็าตายแล้วเกิดมาตายวะ mm. เอมยอมวางได้เลยแล้วว่างั้นเ่ะเพราะเหตุอะไรเพราะตายไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําความชั่วที่ไหนมีแต่สังสมคุณงามความดีอยู่แล้ว ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าว่าเราทําแต่กรรมชั่วเสียหายนะอพอตายไปแล้วข้าจะไปที่ไหนนอในชาตินี้ข้ามีแต่ทำกรรมชั่วบุญกุศลข้าไม่ได้ทําเลยเนี่ยอย่างนี้จิตใจของเรากือว่าเวอ้างว่างเงียบเงาเศร้าซึมอตัวนที่จะหนีออกจากร่างกายไปนทรัพสมบัติไม่อยู่ในกระเป๋าเลยแห้งไปหมดเนี่ยไม่ได้คิดหาเงินใส่กระเป๋าเลยคิดว่าตายแล้วเกิดที่ตายแล้วศูญก็ไม่ได้คิดอีกต่างหากอยู่เป็นที่วี่วันๆไป แค่ก็มาถึงจุดจบแล้วก็นั่นแหละแอบอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วนะใทั้งอกทั้งใจนะ่ า, าจะทาญาทโยมนะวันนี้ทั้งพูดทางร้อนด้วยบนฉลาของหลวงพอ่อเอ า, เอาละพอสมควรกับเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีะ ร, ะรัตนารัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราผู้สูงอายุทั้งหลายอขอให้ประสบอายุวันณนะสุขขาภาละ ปฏิพานธนาสารสมบัติปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมวก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเถิน